และเพื่อนๆของเธอเลยอที่มาจากสวรรค์นั้นนะนอกจากเธอเห็นคนเดียวเทนั้นเด็กหีิงโอราลัตเธอบอกว่าเธอมักจะไปเยี่ยมท่านแม่และท่านที่ของเธอตลอดที่บนสวรรเธอนั่งสมาธิตอนหัวกข้ามถึงวันวันละไม่ต่ากว่าครึ่งชั่วโมงเวลาเ ธ, อ, เธ อ, อนั่งสมาธิเนีขอร้องไม่ให้ผู้ใดมารบกวนเพราะจิตที่ถูกรบกวนจะ รีบกลับจับสวรรค์ทันทีนอกจากนี้เด็กหญิงอุราต์ได้บอกว่าเมื่อกีที่แล้วนะเมื่อเธออายุได้สิบแปดปีเธอก็จะต้องตายกลับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วเธอก็ไม่ได้กลัวตายเลยเพราะเธอทรงจริตไปเที่ยวอยู่เสมอแล้วบ้างสวรรค์ก็สบายกว่าเมืองกรเราหลายล้านเท่าขณะนี้เธออายุได้เก้าปีกว่า แล้วเนีที่ยังไม่ตายเพราะคุณพอ่อทํานานคุณแม่แอวขอร้องแม่เธอลกสังหารไปก่อนยังทำใจไม่ได้เธอก็เกิดความเอ็นดูสงสารคุณพอ่อทํานานและคุณแม่แอวเธอจึงของอนุญาตจากทางปรรโลกขออยู่กับพ่อแม่ทางโลกมนุษย์ไปก่อน ให้พ่อแม่ทั้งโลกมนุษย์ทจิตทำใจให้สบายก่อให้เข้าใจในหลักธรรมชาติว่าการตายเนี่ยนะมันไม่ใช่ของหน้าลัวแล้วเด็กหญิงอุรรัตตายเธอก็มีที่อยู่มาสบายแล้วพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงคือเธอจะมีความสุขมากกว่าอยู่ในบางคนนี่มันยังเทียบกันไม่จิดเลย นอกจากนี้เธอก็มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทุกทชนิดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฆ่าไม่เคยทำได้เลยถ้าเห็นผู้ใดอยาฆ่าสัตเธอก็เข้าไปขอร้องว่าน้เอ้ยพี่เอ้ยป้าเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้วนะหลายผู้หลายคนนะให้มีรู้จักชื่อหรือว่าชื่อไว้นะว่าออย่าไปฆ่ามันเน้อ มันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันนะมันจะติดตามไปข้างหน้าหาที่สุดไม่ได้ต้องตอบแทนกันอย่างนั้นนะเราทุกคนเมื่อตายไปแล้วจะต้องมาเกิดใหม่แถมนะถ้าเราทําดีกรรมดีก็จะมาให้ผลให้มีแต่ค ว, วามสุขกายสุขใจนะถ้าทํำบาปทาไม่ดีกรรมที่ไม่ดีอยอยก็จะตามมาให้ผล ให้มีแต่ความทุกข์ความเดอดร้อนเน้อหวาไม้นะเธอขอร้องให้ทุกๆคนนอับแต่ความดีความดีไว้ยอยา่าไปประมาทลาษาถ้าผูดด้ใดทําความดีมากๆเ ม, ม, มื่อตายมาแล้วจะได้ไประยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าโน้นถ้าประมาทลาสาไม่เคารพพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพอิดานันดาผู้เท่าผู้แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรม ฆ้าสันับทรัพย์เล่นกนนารพนันเล่นชู้ฮิโกเป็นคนพูดเท็จพูดหลอกลวงคนอื่นชอบกินโุรายาเมาอย่างนี้นะการเทียวก็จะปล่อยสู่นรกเปรตัสโลกกายและไปกัดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเควก็อบอกว่าอย่างนั้นจะมีความทุกข์มากนะ กอรมานมากนะพอเจ็บคนวามมาได้คนงานหนักหนาะโอ้หน้าสงสารมากมากเธอก็พูดเหมือนคู้ใหญ่อย่างนั้นแหนะอะ่า้าเป็นไปได้นะหลวงพ่อก็อยากให้เทวดามาเกิดทางอำเภอร i, เรานี่สักองนะ <c ười> จะได้มาส่งมาสอนทุกพ่อนะพระเนรเห็นเจ้าทั้งหลาย ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นชาวอมทุรีของเราเหมือนดังเด็กหญิงยอดีนที่ได้มาคําสอนพวกบรรดาญาติญาตและเพื่อนร่วมบ้านทั้งหลายหลังนั้นคงจะมีคนดีคนเชื่อเลิกละนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายมาสร้างผลงานความดีได้หลายหลายคนของนอ้องเออสําหรับเรื่องความตายนั้นนะในหญิงอุราลัตบอกว่า เออหมโหทั้งหลายไม่ท่ากลัวตายเนอความตายไม่ใช่ของหน้ากลัวนะให้กลัวบาปกลัวกรรมกันดีกว่าเนอเพราะการตายนั้นเป็นการเดินทางของจิตของวิญญาณของเราเท่านั้นเธอเคยเกิดแล้วก็ตายแล้วจะเกิดสวรรค์หลายพระหลายหนอาทีเดียวแหละการเกิดแต่ละชาติเหมือนเดินทางมาแหวว มาเที่ยวนะมาเยี่ยมคนที่เราเคยร่วมสร้างบารมีกันมาเคยสงเคราะห์กันมาพอสมควรแก่กันเวลาก็กลับไปบ้านเดิมที่บนสวรรค์นนมันไม่มีอะไรน่ากลัวสักหน่อยเลยว่าอย่างนั้นนะอันที่จริงแล้วเธออยู่บนสวรรค์มากกว่าโลกมนุษย์นี่นะการมาเกิดแต่ละชาตินอกจากจะมาหาคนที่ เคยนับเนื่องถึงก่อนแล้วก็มาหาความรู้แปลกๆใหม่ๆก็เสริมสร้างความดีเดิมนั้นแหละให้มันมียิ่งขึ้นบ่อยความจริงบางสวรรค์เนี่ยนะดีกว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยหลายล้านเท่าอยู่แล้วไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่อยากเข้าอยากหน้านะไม่มีการทายอุจจาระกฤษณะ ไปไหนก็ไม่ลําเคินนะไม่ลำบากนะอืมันไม่เหมือนเมืองคนของเราเลยนะอขี้เนื้อขี่กุ้งเราขี่ะขยะมุ่นฝอยนะคุณละอองเนี่ยเสื้อโรคต่างๆไม่มีบนสวรรค์ไม่มีเออขอเชิญท่านทั้งหลายเชื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดนะขอให้อายบาป กลัวบาปกันเถอนะให้บงเพ็ญทานศนลภาวนากันเถอ ะ, นะอ ะ, ถอะได้แล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์ด้วยกันนะนะไปสวรรค์ดีกว่านะทางอาบายอย่าไปเลยมันมีแต่ไฟไฟไฟนะไม่แต่วความร้อนอกร้อนใจทุกข์มากมา ก, มากนะมาทางนี้มาทางนี้เนอะบนทางสวร ขั้นฟ้ามาทางนี้นะมาทางไหนคือละบาปทุกอย่างทําบุญเมตตาภาวนานะว่าอย่างนั้นเธอบอกว่าถ้าท่านทางหลายฝึกสมาธิภาวนาจนจิตเป็นทิพแล้วก็จะมีหูทิพตาทิพจะสา ม, มารถติดต่อเข้าเทวดาชั้นต่างๆได้นะว่าอย่างนั้นจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นใต้ก็ไปได้นะ เธอย้ำว่าถ้าใครไปอยู่บนสวรรค์จริงๆ น, นะขอท่านกูฟังทีละเท่ายทําอย่างนี้เธอบอกว่าให้ประอกอบคุณงามความดีคือว่าอย่าทําความชั่วความดีก็คือถือศีลห้าให้เคร่งครัดศีลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตอย่าเบียดเยียนสัตว์ศีลข้อที่สองอย่าลักทรัพย์อย่าเล่นการพ น, นัน สิข้อที่สามอย่าเล่นชู้นะอย่ามีชู้อย่ามากๆในกวรมารมนะแล้วก็ข้อที่สี่อย่าโกหกพกลมคือว่าหลอกลวงเขาพุดคองเท็จสิ่ข้อที่ห้าอย่าดื่มสุราอย่ากินยาเสติดมึนมมงทุกชนิดที่มาให้ทุกข์ให้โทษ ต, ต่อร่างกาย จะไปกินจะไปดื่มจะไปเอามาเข้าปากขอท้องเลยมันไม่ดีนะให้ถือศีลมันเคร่งๆคคัดคัดหน่อยนะคือว่าไม่ติดศีลเองไม่ใช้คนอื่นให้ติดศีลเห็นคนอื่นติดศีลก็อยากยินดีด้วยกว่าอย่างนั้นถ้าทำได้อย่างนี้นะต้อรลองายแล้วจะไปอยู่บนสวรรค์ กั บ, บหนู น, นนน่ะไปได้แน่ๆนะให้รีบๆทากังแต่ยังเมื่อมีลมหายใจเขาออกนี่นะเออขอให้ทุกท่านจงอย่าประมาทนะถ้าว่าประมาทแล้วจะไปข้างล่างถ้าไม่ประมาทแล้วจะไปอยู่สวรรค์ด้วยหนูนะมีแต่ค ว, วามฟูสุขทแท้ๆนะเอออยากจะให้ไปดูไปเห็นเนาะ ไม่ต้องหิไม่ต้องหาเนี่ยไม่ต้องค้าขายไม่ต้องทาร้อยไขย่ไสนาไม่ต้องอถ่ายเนี่ยอยู่ด้วยบุญอิม่มทิพตลอดเวลานะอิ่มทิพตลอดเวลาไม่ต้องปวดไฟฟ้านะไม่ต้องจุดตะเกียงไม่ต้องจุดเทียนนะสว่างด้วยแสงบุญตลอดเวลาเนะ้อแถมอย่างหนึ่งก็ ขอร้องให้ท่านทั้งหลายที่อยากจะไปอยู่สวรรค์บ้านป้าให้มีเมตตากรุณาเอดูต่อสัตว์ทั้งหลายอย่าฆ่าอย่าเบียดเบียนสัตว์เน้อปฏิบัติดีๆจะโค่น จ, จะอบายทั้งสี่จะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ ด, ด้วยหนูนอนนะซึ่งมันดีกว่าประเสริฐกว่าโลกมนุษย์เรานี่หลายล้านเท่าเนอะอ่าที่เล่ามานี่คือเรื่องราวของ เด็กหญิงอุราลั์ศีนินผู้ระลึกชาติได้เธอมาเกิดบางคนเหล่านี้เมื่อวันที่สิบเจ็ดเดือนเมษายนพศสองพังร้อยี่สิบสามมาเกิดเป็นลูกของคุณพ่อชำนาญคุณแม่แอลศรีนินที่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลวังดวนอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโน่นนะข้าทุกท่านที่ได้รับฟังเสียงนี้แล้ว ก็ขอให้รเร่นะงเลคํามจัของแนะนำของเด็กหญิงอุรัสศรีนินนี่นะแต่แล้วขอให้ผู้ฟังที่รับ ท, ทุกท่อนหน้าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าการทุกทนหน้าเถินเออถ้าหากว่าละมีท่านผุ้ยัยมีบารมีเต็มแล้วอยากจะไปสูงกว่านั้นคือว่า อยากจะพ้นจากทุกโศโรคภัยในวัฏสงสารคอยได้ไปสู่พระนิพพานก็มีแนวปฏิบัติเหมือนกันนะองค์หลวงพ่อวัะกรชทงพระเดชประูลพระราชกิพนา์ท่านสอนว่าให้พิจารณาทุกวันทุกวันว่าขันธ์ห้าหรือร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นเรือนร่างเหมือนบ้านชั่วคราว มันมีความเชื่อมแท้ถาวรร่างกายนี้เป็นชิ้นเป็นสว่วนไม่เป็นแท่งทึกมีฟังบืดเอใหญ่เอ น, นอ้อยร้อยรัดดึงชิ้นส่วนกระดูกเนื้อหนังประคับประคองการเข้าไว้เป็นเหลังร่างมีหนังอหูอหู้สิ่งปฏิกูลไว้ภายในร่างกายนี้นเตรียมไปด้วยความสุขภู โ, โศข้อเต็มไปด้วยอุจจาระกะ้อนะ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองตับไตไช้ปอดเป็นตน้นมีสภาพเหมือนช่วงเลื่อนที่ร่างกายนี้ประกอบอด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟมีอาก า, าศธาตุบรรจุในช่องว่างของร่างกายทุกส่วนมีวิญญาณธาตุเป็นธาตุรับรู้ความร้อนความหนาวความหิวโหยความเจ็บป่วย เวทนาเป็นต้นท่าทั้งหลายเหล่า น, นี้หาความเที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นเราอย่ายึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักน่าของแหนอยู่อีกทำไมการที่เราต้องเกิดมาอยู่ในสภาพของ ข, องของนันอาคือรูปขนันเวทนาขนันสัญญาขนันสังขารขนัขนวิญญาณขันนี้ เพราะอวิชชาคือความโง่ของเราเป็นปัจจัยเราหลงเชื่อเจ้าความชั่วคือเกียรตตัณหาอุ ป, ปาทานและอภิโสรรกมชับนอนลงมาอาศัยอยู่ในเรือนร่างที่เจ้าความชั่วสร้างขึ้นเมื่อร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลสุปกโศ โ, โคเต็มไปด้วยความทุกข์เป็นสิ่งน่ากลัวน่าเบื่อหน่าย ไม่เที่ยงแท้ถาวรเช่นนี้และเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเพราะความกายเป็นของเที่ยงจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเย็นตายวันนี้ตายพรุ่งนี้หรือตายเมื่อใดก็ตามเราก็ต้องตายแน่แน่ดังนั้นเราคือจิตอันกวัดพัดสองจะมาอะไรใหญดีกับร่างกายนี้อีกทําไม เลิกพบกกันทีชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของเราความเกิดเพื่อแก่ความเกิดเพื่อเจ็บไข้ความเกิดเพื่อไายจะไม่มีแก่เราอีกต่อไปางการนี้แตก ด, ดับเมื่อใดเมื่อนั้นถือว่าเป็นการสุดสิ้นเว็นสิ้นกรรมคนเสียทีขันห้านี้ไม่แช่เราไม่แช่ของเรา เราไม่มีในขันห้าญาติมิตรลูกเมียร้านเหลนเราไม่มีชักสงบัตรใดๆเราไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่เราไม่มีเ ร, มมเราไม่อะไรใหญ่ ด, ดียึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปเราสับแต่ว่ารู้เราสับแต่ว่าเห็นว่านี่คือร่างกายเขาหนั่นเมื่อร่างกายนี้แตกต่อกไป ทางที่ไควของเรามีทางเดียวเท่านั้นนั่นก็นคือพระนิพพานเออใครอยากจะพ้นทุกข์บ้างเนาะใครอยากจะไควนิพพานบ้างเนาะถ้าอยากจะไควนะให้นําเอาข้อความเนี่ยนะไปนึกไปคิดอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมเนะื้อามดีอันเป็นพื้นฐานต้นที่พระเดชพระคุณพระราชกงยาณวนาัตนชง แะ่นะนนำพวกเราไว้ว่าให้พวกเรามีพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งศึกษาผลงนานความดีของพระไตรรัตน์จนหมดความสงสัยคือไม่มีความสงสัย ใ, น ใ, นในดๆเหลืออยู่เป็นชาวพุทธร้อยเปอร์เซ็นนะเป็นทั้งกายทั้งใจแล้วก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดหาย คิดถึงความตายว่าเป็นกีฬาของชีวิตตายเมื่อไรก็ไม่นักใจการเมื่อไรก็ขอใจเป็นความสุดท้ายชาติสุดท้ายถ้าร่างกายในม่ตายก็ขอบริพารแห่งเดียวลูกศิษย์ขององค์หลวงพ่อท่าหนหนะึ่งนะผูกเป็นความคล้องจองก็จะง่ายไว้อย่างนี้นะมีพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่งบรรพึงถึงความตายศีลห้าไม่ขาดหาย แค่นี้ถ้าตายเอาไปานิพพายแห่งเดียวเออเนี่ยเอาไปนึกเอาไปคิดเอาไปกระพืปฏิบัติจนมันทรงตัวหรือว่าเป็นปกตินิสัยไปเลยเนอะโอ้จะพูดจอ่อดูเวลาก็สงควนแก่เวลาแล้วนะท้ายที่สุดนี่หลวงพ่อขอรัตนาคุณพระคุณเทพคุณบิดามารดาคุณคางศีนภาวนา และสิ่งขบขิด ท, ทั้งหลายทำกวง ท, วทงอดร่างจากวายจงโดนบรรดานประธานพรนะท่านคู้ฟังเท่บทั้งหลายทุกทันนาและเจ้าจหน้าที่สถ า, านีวิทยุพอเรือขณะทุกทุกท่านและท่านผู้เอื้ออารีช่วยเหลือในด้านธ ร, รมทานคือเครื่องอัดเสียงมาให้ อ, นนอนนมีท่านมีนมณีโต วัดขอสมโพธราชบุตรโลกบุรีคุณโอ้คุณสมเดดีและคณะทั้งหลายกรุงเทพซื้อเครื่องอัดเสียงมาให้และท่านทั้งหลายได้ซื้อแผ่นซีดีมาให้อัดทุกทวน้านะขอจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่วัฒนะรมงคลสมบุญคุณผ ล, ผลไปตลอดตลาดท้าวข้าสู่ปณิบานทุกทวนา ท่านผู้ใดมีวันมีเต็มรอบแล้วอยากจะพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏฏสงสารเข้าถูกพระนิพพานก็ขอให้สมประสงค์ขอให้ได้หมูทิพตาทิพหรือว่าหมูแจ้งตาใสาเนาะได้บรรลุธรรมขององค์พระธรรสัมพุทธเจ้าพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมก็ได้เข้าถูพ่พระนิพพานในชาตินี้ ทองประสงค์ทุกทุกท่านด้วยเถิดขอเจริญพร